บางท่านไปนั่งภาวนาอยู่ที่ปากเหว ล, ลึกซึ่งถ้าเผื่อตกก็มีหวังแน่ๆสําหรับท่านผู้นั้นไม่กลัวจึงต้องทำวิธีนั้นซึ่งเป็นวิธีฝึกวิธีหนึ่งเผื่อเพลสติก็ยอมตกลงเหวตายไปเลยเรอเวลาทาภาวนาอยู่ตามธรรมดาจิตบังคับไม่อยู่ชอบยุ่งกับสิ่งนั้นวุ่นกับสิ่งนี้แล้วก่อความทุกข์ุ่นวายให้ตัวเองไม่เลิกแล้วสักที ไม่ว่าคนหรือสัตว์ความกลัวตายมีเท่ากันดังนั้นเวลาถูกบังคับให้เข้าตาจนจริงๆเช่นพาไปนั่งที่ปากเหวลึกๆจิตต้องทำงานโดยไม่ต้องถูกบังคับขู่เคยนใดใดเพราะความตายเป็นสิ่งที่จิตกลัวมากกว่าสิ่งใดๆมาดั้งเดิมขณะนั้นแหละเป็นเวลาจิตต่อสู้กับความตายด้วยความตั้งใจแล้วระลึกสติไว้กับตัวตลอดเวลา ไม่ยอมท่งจิตไปอื่นมีสติประคองตัวอยู่ทุกขณะจิตเมื่อมีสติคุ้มครองด้วยดีไม่เล็ดลอดออกไปสู่อารมณ์ต่างๆที่เป็นข้าศึกก็ยอมรวมสงบลงได้ในเวลาไม่นานนักท่านที่ทำวิธีนี้ก็ได้รับผลเป็นที่พอใจเช่นกันการทำด้วยวิธีมีสิ่งบังคับคือความตายยอมถือเป็นเรื่องสำคัญ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 ก็ไม่ยอมลงสู่สมาธิ ต, ตามต้องการท่านต้องหาอุบายคู่จิตโดยวิธีออกไปนั่งภาวนาอยู่หน้าถ้ำเวลาเสือมาที่นั้นจิตจะได้กลัวแล้วรีบรวมสงบลงหาที่ปลอดภัยหายกลัวเสือก็ทำอะไรไม่ได้จิตก็รวมลงเป็นสมาธิได้ในขณะนั้น ความรู้สึกของพระธุดงโดยมากที่เคยได้กำลังใจในขณะที่จิตกำลังกลัวและฝึกทรมานจนลงสู่ความสงบได้แล้วแน่ใจว่าอันตรายจะทำอะไรไม่ได้ในขณะนั้นแต่ความจริงจะเป็นอย่างไรนั้นท่านไม่สนใจคิตแต่เพียงเพื่อกำลังใจเป็นสำคัญในเวลานั้นและเวลาต่อไปแม้จะตายในเวลานั้นท่านก็พร้อมที่จะยอมสละได้ เราะความเชื่อธรรมะมากกว่าความกลัวตายดังนั้นท่านผู้มุ่งต่ออัต ธ, ธรรมอย่างแท้จริงจึงชอบสแสวงหาสถานที่และวิธีฝึกตนด้วยอุบายต่างๆอย่างไม่ลดละเพราะท่านเห็นผลจากสถานที่และวิธีนั้นๆประจักษ์ใจเสมอมาราวกับว่าลงทุนน้อยแต่ได้กําไรมากจึงเป็นที่น่าปลื้มใจและควรทําอยู่เสมอไม่เกียจคร้านรําคาญใจ ทั้งตัดปัญหาความสงสัยในสิ่งที่ทำว่าจะเกิดผลหรือไม่เสียได้เพราะการทำนั้นยังผลให้เห็นอายามพทัน ต, ตาไปทุกประโยคแห่งความเพียรการออกไปนั่งภาวนาอยู่หน้าธรรมก็ดีการไปเที่ยวนั่งภาวนาอยู่ตามหินดานบนเขาก็ดีการเดินเที่ยวกรรมฐานกลางคืนเพื่อพบกับเสือก็ดี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 ที่เกี่ยวข้องกับจิตให้สิ้นไปโดยลำดับนั้นแหลมิใช่เพื่อทำลายตัวเองแต่อย่างใดท่านผู้หวังพ้นทุกทั้งมวลอย่างถึงใจมีความเกิดตายเป็นต้นโดยมากท่านคิดและทำกันอย่างนั้นทั้งนั้นแม้พระพุทธเจ้าองค์เอกของโลกทั้งสามก็ทรงบำเพ็ญวิธีสละพระชนชีพด้วยการอดพระกระยาหาร ไม่สวยอะไรเลยได้สี่ิบเก้าวันซึ่งเป็นวิธีที่ใกล้เคียงกันคือเป็นวิธีที่เด็ดเดี่ยวอาหารเพื่อชัยชนะฆ่าศึกศัตรูภายในเมื่อทรงเห็นว่าไม่ใช่ทางจึงทรงงดและทรงกลับมาตั้งสัตยาทิฏฐานปฏิญญาณพระองค์ว่าจะประทับนั่งเจริญอาณาปานสติกรรมฐานจนได้ตรัสรู้ธรรมตามพระทายหมาย หากยังไม่ได้ตรัสรู้ธรรมสมพระประสงค์เมื่อไรก็เป็นอันทรงถวายพระชนชีพกับที่ประทับภาวนานั้นโดยไม่เสด็จไปที่ไหนๆอีกเลยนี่แสดงว่าถ้าไม่ได้ตรัสรู้ธรรมจริงๆในที่ประทับนั่งเจริญนานาปนสติใต้ร่มมหาโพนั้นก็ต้องเป็นพระยุรยาบทสุดท้ายแห่งพระชนชีพของพระองค์ในที่แห่งเดียวกันโดยแน่นอนไม่มีทางเป็นอื่น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 จึงไม่ได้เป็นการโลดผลหรือใกล้ต่อความโอ้อวดตัวว่าเก่งกล้า ส, สามารถยิ่งกว่าครูหรือกว่าใครแต่อย่างใดเราเป็นเจตนาที่บริสุทธิ์เพื่อหวังอัตถธรรมนำตนให้พ้นทุกข์ด้วยวิธีนั้นๆจึงได้พยายามตะเกียกตะกายตามกำลังความสามารถและยังไม่เท่าผงทุลีที่ฝ่าพระบาทของพระพุทธองค์ที่หลุดออกในเวลาที่ทรงประกอบความเพียรด้วยความสละตายเลย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 กลัวแต่จะยิ่งกว่าครูคือศาสดาถึงหน้าอับอายขายหน้าตัวเองยิ่งกว่าขายอะไรผู้เขียนยิ่งตัวเก่งที่กลัวแบบนี้แต่แบบอื่นที่ไม่ดีไม่เป็นท่าไม่เห็นกลัวมันอย่างนี้แหละใจสามัญชนมันชนดะไปถ้าเป็นสิ่งที่ปราท่านตำหนิไม่อยากให้ชนแต่สิ่งท่านประสงค์อยากให้ชนแต่กลับหลบหน้าไม่กล้าชน คิดเละะ่าโมโหตัวเองที่เก่งไม่เข้าเรื่องกรุณาท่านผู้อ่านอย่าถือเป็นตัวอย่างจะกลายเป็นคนไม่เข้าเรื่องไปหลายคนพระธุดงที่ท่านหาอุบายทรมานตัวด้วยวิธีต่างๆกันดังที่กล่าวมานี้เคยเป็นมาแต่เริ่มแรกที่ไ ด, ไดรับการอบรมจากท่านอาจารย์มั่นสมัยท่านยังเป็นหนุ่ม ทำการสั่งสอนเรื่อยมาจนทุกวันนี้มิได้ลดละปล่อยวางโดยถือเป็นมรดกที่ท่านมอบให้ด้วยความเมตตาสั่งสอนอยางถึงใจต่างท่านจึงได้พยายามประคับประคองมาด้วยความเคารพเชื่อถือว่าเป็นปฏิปทาที่ท่านเคยปฏิบัติและได้ผลเป็นที่พึงใจมาแล้วซึ่งได้กลั่นกรองเอาแต่ยอดปฏิปทาอย่างเด็ดเด็ดเผ็ดเ็ดร้อนร้อนออกมาแสดงเพื่อท่านพูดตั้งใจในธรรมอย่างยิ่ง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 อันเป็นที่เหมาะกับจิตดวงดิ้นรนกัดแกงทรมานยากอย่ามัวมามัวสุมอยู่กับหมู่กับเพื่อนอย่างนี้ผู้ปฏิบตัติต้องรู้จักนิสัยของตัวรู้วิธีการทรมานตัวถ้ามีรู้นิสัยของตัวแม้ทำความเพียรไปจนถึงวันตายก็ไม่ได้รับผลเท่าที่ควรเวลาใจดือ้อต้องเด็ดทางความเพียรและทรมานให้หนักมือ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 ขึ้นนอนขับถ่ายอะไรๆลงรถหัวใจได้รีบควา้ามันลงมาเหยียบย่ำทำลายด้วยความเพียรที่เต็มไปด้วยความทรหดอดทนใครกลัวตายคนนั้นจะได้แต่ความตายติดตัวไปในภพชาติต่างๆไม่มีวันจบสิน้นใครกลัวเสือไปอยู่ที่ไหนก็จะมีแต่ภาพเสือมาหลอกให้กลัวอยู่ตลอดไปใครกลัวผีก็เช่นกัน ไปอยู่ที่ไหนจะมีแต่ภาพผีลักษณะต่างๆมาหลอกจนถึงกับอยู่กินหลับนอนไม่ได้แม้ใบไม้ร่วงจากกิ่งตกลงมาก็จะคิดหลอกตัวเองว่าเป็นผีมาหลอกอยู่ร่ำไปเราเป็นคนไม่จริงและขี้คลาดหวาดกลัวเสิคนเดียวไปที่ไหนอยู่ที่ใดก็ต้องพบแต่ความขี้คลาดหวาดโรแวงด้วยความกลัวที่จิตคิดปรุงขึ้นหลอกตัวเองอยู่นั่นแหละไม่พบของจริงได้เลยแม้แต่น้อย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 ให้อยู่ใต้อำนาจแห่งเหตุผลคืออัตถธรรมทุกท่านที่มาอบรมต้องการอยากอยากให้กิเลสชนิดต่างๆหมดไปด้วยวิธีใดถ้าไม่ใช่ด้วยการฝึกทรมานตนด้วยความเพียรดังที่กล่าวมาทางสิ้นกิเลสทั้งหลายมีความกลัวเป็นต้นก็มีทางเดียวเท่านี้คือต้องฝึกต้องทรมานใจดวงกำลังคนองโลดเต้นเป็นพยองไปตามอารมณ์ ที่ตัวคิดปรุงขึ้นหลอกตัวเองอยู่เวลานี้พระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายท่านพ้นทุกทั้งมวลได้ด้วยการฝึกทรมานใจทางเดียวเท่านี้ไม่มีทางที่พอจะเล็ดลอดไปได้นอกจากทางนี้ทางเดียวส่วนจะคอยให้ความกลัวความขี้เกียจอ่อนแอเป็นผู้บุกเบิกทางเพื่อพ้นทุกนั้นอย่าพากันหวังเดี๋ยวจะตายเปล่า และนนวเฟะเปลือเปลือนพระศาสนาให้เหม็นไปด้วยอย่าพากันสงสัยไปนานจะเสียการเวลาไปเปล่าธรรมะของพระพุทธเจ้ามีใช่ธรรมะลูกคลาและหลอกลวงถ้าใครเชื่อตามเหตุผลที่ประธานไว้และปักใจลงปฏิบัติตามแบบเอาชีวิตชีวาเข้าแลกไม่เป็นห่วงเสียดายว่าธรรมะจะพาไปล่มจมปนปี้ มีแต่ตั้งหน้าปฏิบัติกำจัดสิ่งที่เคยเป็นค่าศึกทำการกีดขวางใจมีความกลัวเป็นต้นผู้นั้นจะถึงฝั่งแห่งความเกษมในไม่ช้าการฝึกฝนทรมานตนด้วยธรรมะนี่แหลคือทางพ้นทุกข์โดยทายเดียวไม่เป็นอื่นจะนับประสาอะไรกับสถานที่ที่พระขี่คลาดไปอยู่และบ่นว่ากลักลวๆ ก, กันทั้งที่ชาวบ้านแถวนั้น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 มันต้องการก็มอบให้มันไปแต่เราต้องยึดธรรมะคือความกล้าหาญความเสียสละเพื่อธรรมะไว้ไม่ยอมปล่อยวางกระทั่งสิ้นลมหายใจจะสมศักดิ์ศรีของพระกรรมฐานผู้สแสวงธรรมด้วยความเชื่อบุญเชื่อกรรมจริงและเธอเกียรติพระศาสนาไว้ตัดสินใจปลงไว้กับธรรมะทุกอย่างแล้วก็เร่งความเพียรทางใจไม่มีลดละท้อถอย ได้ยินเสียงเสือกระหึ่มไปมาแถวบริเวณใกล้เคียงเท่าไหรใจยิ่งประวัติสัมผัสกับธรรมะหนักเข้าประหนึ่งใจกับธรรมะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันยิ่งเวลาเข้าสู่สงครามระหว่างเสือกับธรรมะที่เรามุ่งมั่นก็ยิ่งเห็นความอัศจรรย์ของใจของธรรมะเกินกว่าจะนำเรื่องเสือมาคิดให้เสียเวลาเหมือนเด็กไม่มีความคิดอ่านก็เอามือไปจับไฟเล่นให้ไฟไหม้มือเอา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 คือทางใจก็ยุ่งและติดปัญหาตัวเองแก้ไม่ตกเมื่อไหร่กองทุกก็สุมกันเข้ามาจนกว่าแก้ตกไปเป็นตอนๆความสบายใจจึงเกิดมีขึ้นมาเป็นพักๆทางกายก็เกิดเจ็บไข้ได้ทุกขซึ่งเป็นเรื่องของใจผู้รับผิดชอบกอบกู้จะต้องพิจารณาวินิจฉัยแล้วรักษากันไปตามเหตุการณ์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 ผู้คนเขาไม่ได้สนใจเหมือนทุกวันนี้ระอยู่กันอย่างไรหลับนอนกันอย่างไรขบฉันกันอย่างไรใช้สอยอะไรกันบ้างไม่มีใครเขาสนใจหรอกอยากเข้าใจว่าที่มาเป็นอาจารย์คนอยู่เวลานี้ได้รับความสะดวกและสมบูรณ์พูนผลมาเป็นลำดับความจริงแล้วต้องตะเกียกตะกายปฏิบัติมาด้วยความทุกข์ยากลำบากแทบเป็นแทบตายเรื่อยมาการฉันก็ฉันแต่ข้าวเปล่าๆนั่นแหละ มากกว่าจะได้ฉันกับพริกกับปลาดังชาวบ้านเขารับประทานกันชาวบ้านเขาก็มีไม่ขาดเขินในบรรดาอาหารที่เขาเคยรับประทานกันแต่เขาไม่เข้าใจว่ารักกรรมฐ า, านท่านฉันกันอย่างไรอย่างมากเขาก็เอากล้วยใส่ไอเสบาบสองใบพอเป็นประเพณีของการตักบาดบ้างนานวันถึงจะมีหอพริกหอเกเหลือบ้างบางทีเขาก็ตามพริกใส่ปราดิบ เมื่อมาถึงที่พักแก้ออกดูทราบแล้วก็นำออกเสียฉันไม่ได้เราะไม่มีโยมติดตามพอจะใช้สอยเขาไปทำให้สุขได้โดยมากความเป็นมาของพระกรรมฐานในยุคนั้นเป็นอย่างนี้แทบทั้งนั้นไม่ว่าไปอยู่ที่ไหนโนนอยู่นานๆไปจนรู้นิสัยของเขาของเราดีแล้วเขามาถามจึงพอรู้เรื่องกันบ้าง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 บางบ้านผู้คนก็ดีอยู่บ้างพอเห็นพระไปพักแถวใกล้บ้านก็พากันออกมาไต่ถามความทุกข์สุขดิบและถามถึงความประสงค์ว่าจะไปไหนมาไหนกันมีความประสงค์อะไรจะพักอยู่ที่นี่นานเท่าไหร่เราก็พอพูดและบอกความประสงค์ให้เขาทราบได้บ้างเขาก็พร้อมกันมาจัดที่พักให้พอได้บังแดดบังลมบ้างทาแคร่ที่พักหลับนอนให้บ้างทาทางจงกรมให้บ้าง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 ความเพียรไม่ค่อยก้าวหน้าเท่าที่ควรการอยู่บ้างไปบ้างเป็นการปลูกประสาทให้ตื่นตัวอยู่เสมอ ER นั้นรู้สึกว่าดีสำหรับนิสัยผมความเพียรก็ก้าวหน้าการไปเที่ยวทุดงในที่ต่างๆโดยไม่มีจุดหมายป้ายบอกจำกัดสถานที่และเวลาเป็นเครื่องผูกมัดตัวเองมันเป็นความสะดวกใจสำหรับผมส่วนผู้อื่นนั้นไม่ทราบได้ แต่ถ้าเพื่อความไม่พรุงพรังแล้วก็ควรจะเหมือนเหมือนกันไปเรื่อยอยู่เรื่อยตามสถานที่ที่เห็นว่าเหมาะแก่การบําเพ็ญไม่เป็นอารมณ์ห่วงใยกับอะไรมีตัวคนเดียวเป็นความรับผิดชอบกายชีวิตลมหายใจอยู่กับตัวการปฏิบัติอยู่กับตัวแม้มรคนิพพานที่จะพึงได้พึงถึงก็อยู่กับข้อปฏิบัติ บ, บ, บาเพ็ญของตัวเป็นผู้จะทาให้เกิดให้มีขึ้น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 ก็จำต้องอยู่ไม่อยากบำเพนเพราะเห็นว่าลำบากก็จำต้องบำเพนไม่อยากทรมานในเวลาที่ควรทรมานก็จำต้องทรมานแม้ไม่อยากอดอยากขาดแคลนกันดานด้วยปัจจัยสี่ก็จำต้องอดต้องขาดแคลนเพราะอยากเป็นคนดีอยากรู้อยากเห็นทำรรและอยากพ้นทุกถ้าจะเอากิเลสออกหน้าให้มันพาดำเนินก็อย่างที่เห็นเห็นกันนั่นแหละ เมื่อกี้นี้ก็พูดกันเรื่องความกลัวไม่อยากอยู่ในที่เปลี่ยวเพราะกลัวเสือเป็นต้นซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสเหนียวรังไว้ไม่อยากให้ไปในที่ที่ควรเป็นสถานที่บำเพ็ญตามเยี่ยงอย่างอาริยะประเพณีท่านพาดําเนินและค่ากิเลสประเภทเหล่านี้มาแล้วแต่อยากพาเข้าไปอยู่ในที่ชุมนุมชนคนหนาแน่นเช่นที่สนุกสนานรื่นเริ ง, รงที่ขับกล่อมบาเรอต่างๆอะไรเหล่านี้นี่แหละ เรื่องกิเลสนำหน้ามันตวัดใจคนออกจากศีลจากธรรมได้อย่างง่ายดายและตะวัดใจพระกรรมฐานให้ออกจากป่าอันเป็นสถานที่บําเพ็ญหรือไม่ให้เข้าป่าเพราะกลัวเสือผีเป็นต้นแล้วตอนเข้าสู่คอกสู่โรงตามชอบใจของมันจากนั้นก็เสร็จให้มันไปเลยผลที่กิเลสเป็นผู้นำก็เห็นกัรประจักษ์ตลอดมาเป็นความประทับใจดังที่กล่าวมา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 ก็คือการเที่ยวไปและสถานที่ดังกล่าวแล้วเป็นสำคัญที่จะมองข้ามไม่ได้เลยผมชมเชยและเทิดทูนเสมอสําหรับท่านที่พยายามดาเนินดังกล่าวมาเพราะเป็นทางตรงแนวตอมรคนิพพานอยู่ทุกสมัยแต่ผู้ที่พอจะเข้าป่าบ้างมีแต่เสือจะมากินเป็นอาหารนั้นน่าเบื่อและสลดสังเวชใจอย่างยิ่งทั้งระอาใจในการสอน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 เหมือนมองเห็นคนป่วยที่มีอาการเพียบเต็มที่ไม่มีทางหายด้วยยาขนานดใดๆฉะนนั้นธรรมะในใจที่เคยให้การอบรมมาเป็นเวลานานนับจะออกมาสู่หมู่คณะก็ไม่ทราบวิ่งหลบซ่อนไปอยู่ที่ไหนหมดปรากฏแต่ความรู้เฉยๆซึ่งทำประโยชน์อะไรไม่ได้คิดว่าธรรมะก็คงกลัวอำนาจความอ่อนแอปวกเปียกนั้นเต็มประดาสุดที่จะประคองตัวอยู่ได้ จึงพากันวิ่งหนีหมดคิดหาอะไรมาแสดงไม่มีเลยนั่งอันตูดูใจอยู่อย่างนั้นและพูดอะไรไม่ออกทำไมจึงเป็นเช่นนั้นถ้าเป็นหมอก็คงหมดปัญญากับคนไข้ารายนั้นนี่ก็หมดปัญญากับโรคอ่อนแอปวกเปียกเกินกว่าจะถูถ่ายกระมังธรรมะจึงหลบซ่อนตัวเสียสิ้นไม่มีอะไรปรากฏพอได้พูดบ้างเลย บางท่านที่มาอบรมอยู่ที่นี่ได้พากันคิดบ้างหรือเปล่าว่าโรคขี้กลัวเสือกลัวผีก็เป็นโรคชนิดธรรมะกลัวเช่นกันไม่หานประจันหน้ากับโรคประเภทนี้ได้ถ้าต้องการให้ธรรมะพอมีทางอยู่ได้ไม่หลบซ่อนวิ่งหายไปหมดก็ควรพลิกใจเสื้อใหม่ใจที่พลิกใหม่นั้นไม่ต้องมากอะไร ก็พอจะเห็นคุณและโทษของตัวที่กําลังขี้ขลาดอยู่เวลานี้ได้บ้างโดยพลิกว่าพระพุทธเจ้าและสาวกท่านก็ดีครูอาจารย์ทั้งหลายก็ดีล้วนเป็นนักต่อสู้มาแล้วอย่างน้อยก็ต้องต่อสู้กับสิ่งที่เรากําลังกลัวอยู่เวลานี้ถ้าความกลัวนั้นเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่เมื่อฝืนทรมานให้หลุดลอยออกจากใจแล้วผู้นั้นต้องตายแล้วก็ทําไม ไม่เห็นท่านที่ฝึกทรมานความกลัวดังที่มีอยู่ในใจเราเวลานี้ออกจากใจแล้วตายกันซิ้งหมดเล่าแต่เราทําไมจึงกลัวเอานักหนาจะไม่เข้าขั้นบ้ากลัวเล่าหรือเวลานี้แล้วก็ไม่มีใครทราบได้ถ้าไม่ใช่เราทราบเราเองเท่านั้นที่นี้จะปฏิบัติจัดการกับตัวเองอย่างไรดีหรือจะฝืนเป็นคนบ้ากลัวอยู่อย่างนี้ต่อไปหรือ หลักฐานพยานก็มองเห็นชัดๆอยู่แล้วว่าพระพุทธเจ้าและพระสาวกตลอดครูอาจารย์ท่านทั้งหลายเฉพาะอย่างยิ่งองค์ท่านที่กำลังสั่งสอนเราให้ชาระความกลัวอยู่เวลานี้ท่านมิได้ตายเพราะเสือกินท่านเลยแม้องค์ท่านที่ปรินิพานไปแล้วก็มิได้เป็นไปเพราะเสือกินท่านแต่ท่านปรินิพานเพราะอนิจจาวัตสังขาราตั้งหาก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 ถ้าไม่มีอุบายสติปัญญาเป็นเครื่องมือช่วยปราบปรามเพียงแต่ความโมโหทำท่าคู่ตวาดให้กิเลสกลัวคนรทราบว่ากิเลสมิใช่สุนัขตัวโง่พอจะวิ่งหัวหมุนให้ผู้ข่มขู่ดีใจแต่กิเลสก็คือความฉลาดแหลมคมของฝ่ายต่ําที่เกาะกินอยู่บนหัวใจคนคนหนึ่งนั่นเองยิ่งข่มขู่โดยไม่มีเครื่องมือคือสติปัญญาให้มันกลัวบ้างแล้ว ก็เท่ากับทำให้มันหัวเราะเยาะและสนุกกัดกินกัดกินจนใจไม่เป็นใจคนต่อไปได้กลายเป็นใจสัตว์ใจผีใจยักษ์ไปหมดนั่นแหละอย่าเข้าใจว่ามันจะกลัวอำนาจป่าเถื่อนๆอย่างนั้นซึ่งอำนาจนั้นก็ได้มาจากมันนั่นเองเป็นผู้หยิบยื่นให้และนำมาขู่มันมันจึงขบคันและหัวเราะเอาทุกขณะที่คมขูเพราะมันเห็นว่าเราโง่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 ผ่านกันวิ่งหนีจนหลงแม่หลงลูกแบบชุลมุนวุ่นวายยิ่งกว่าไฟไหม้เมืองหลวงเสอีกใครไม่เคยเห็นไฟไหม้เมืองหลวงลองดัดสันดานกิเลสด้วยวิธีที่กล่าวมาลองดูจะเห็นกิเลสวิ่งหัวสุกหัวซูลหมุนตี้วลืมเป็นลืมตายออกจากใจยิ่งกว่าไฟไหม้บ้านเป็นไหนผมเคยทำได้ผลประจักษ์มาแล้วใครไม่มาโกหกได้จึงกล้าพูดเต็มปากไม่กระดากอายว่า ใครจะหัวเราะหรือเห็นด้วยเลยเรื่องมันเป็นอย่างนี้จริงๆที่ได้ธรรมะมาสอนหมู่คณะบ้างตามกําลังก็ได้จากการทำมาอย่างนี้แทบทั้งนั้นจะให้ผมสอนอย่างอื่นที่ไม่เคยทำและไม่เคยเห็นผลมานั้นผมสอนไม่ได้จะเป็นการอุตรีกันเล่นและทำคนอื่นให้เสียผมทำไม่ลงถ้าอย่างที่สอนมานี้ก็ถึงไหนถึงกัน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 เพื่อตัดกิเลสวัตตะออกจากใจไปทุกประโยคแห่งความเพียนเพียนไม่หยุดรุดหน้าสู้แบบกล้าตายแม้ใจที่เคยอ่อนแอมาก็กล้าแข่งได้จนกลายเป็นใจวิวัตตะในคนผู้เป็นนักสู้นั้นเมื่อใจกลายเป็นวิวัตตะแล้วเรื่องกิเลชนิดต่างๆไม่ต้องกล่าวถึงมันก็ได้หายซากไปหมด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 อย่าพากันหลงลมว่าเป็นของยืดยาวเลยที่เขียนผ่านมานี้เป็นโอวาทที่ท่านอบรมพระปฏิบัติในวาราต่างๆเวลาท่านแสดงเพื่อปลุกใจให้เกิดความกล้าหาญ ร, รื่นเริงในธรรมะปฏิบัติเนื้อธรรมะรู้สึกว่าเข้มข้นมากผิดธรรมดาผู้ไม่เคยได้ยิน แทนที่ใจจะสงบในเวลาฟังเท่าที่ควรจะเป็นแต่กลับกลัวจนตัวสั่นไปก็มีเข้าใจว่าท่านดุดาคู่เข็นความจริงเป็นวิธีการแสดงธรรมที่เหมาะแก่การสถานที่และบุคคลที่รับฟังในขณะนั้นเท่านั้นมีได้มีความโกรธความโมโหแฝงออกมาด้วยเลยแต่ท่านที่เคยฟังแล้วยิ่งได้ยินท่านเร่งเนื้อธรรมะและความเข้มข้นมากขึ้นเพียงไร ใจยิ่งเกิดความสงบเย็นมากเพียงนั้นรากับท่านช่วยสาบช่วยฟันกิเลสภายในให้ขาดเป็นชิ้นเป็นอันออกจากใจให้เห็นประจักษ์ตาประจักษ์ใจในขณะฟังด้วยเหตุนี้พระปฏิบัติจึงสนใจต่อการฟังกับครูอาจารย์ที่ตนเคารพนับถือไม่มีวันอิ่มพอตลอดมาจนทุกวันนี้